พ้นทุกได้อย่างไรพ้นทุกได้ถ้ามีสติปัญญาเห็นกายนี้ใจนี้คือตัวทุกและปล่อยวางกายและใจได้เพราะเห็นชัดว่ามันไม่ใช่เราเป็นเพียงสภาวะธรรมจำนวนมากที่มาประชุมกันถ้ากายและใจเป็นทุกก็ไม่เกี่ยวกับเราหมายความว่าปัญหาและความทุกยังคงมีอยู่แต่ไม่มีผู้ทุกเพราะไม่มีที่ตั้งของความทุกเนื่องจากใจไม่เกาะอะไร จึงสามารถพ้นทุกได้วงเล็บไม่ใช่ดับทุกวงเล็บปิดดังนั้นถ้ารู้ทุกแจ่มแจ้งก็จะละสมุทัยวงเล็บสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกวงเล็บปิดแจ้งนิโรธวงเล็บนิพพานวงเล็บปิดและเจเริญมักเราพ้นทุกได้เพราะการรู้ที่ถูกต้องคือพ้นได้ด้วยปัญญาโดยมีคุณธรรมอื่นๆเป็นตัวสนับสนุนเช่นศรัทธาศีลวิริยะสติ สมาธิ